เมื่อใจดีคุณจะเลิกติดใจกับความเลวของคนอื่นสังเกตได้จากเสียงในหัวใจที่กลดด่าชาวบ้านน้อยลงคนไม่ดีกระตุ้นความคิดไม่ดีขึ้นในหัวคุณมีแต่คุณที่ตัดสินใจคิดดีเองหรือคิดไม่ดีตามเพื่อเพิ่มคนไม่ดีขึ้นอีกรายถ้าไม่พอใจโลกแล้วด่าโลก โลกก็แย่ลงทันทีแล้วด้วยเสียงดาที่ไม่น่าฟังพาตนและคนอื่นเข้าไปอยู่ในโลกที่แย่กว่าเดิมแล้วเห็นเห็นอยู่แต่บัตรนั้นเลยถ้าฆ่าคนเลวบางคนให้ตายไปโลกนี้ดูเหมือนน่าจะดีขึ้นแต่ความจริงก็คือความตายของคนเลวไม่ได้ช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นเลยเดี๋ยวก็มีคนเลวใหม่มาครองบัลลังก์แทนอยู่ดี โลกบางส่วนแสนประเสริฐโลกบางส่วนสุดบัดซบทั้งความประเสริฐและความบาัดซบต่างก็ไหลมาจากใจคนในโลกนั้นๆถ้าไม่พอใจโลกแล้ว เ, เห็นต้นเหตุปัญหาของโลกที่มาจากใจคนแล้วแก้ปัญหาที่ใจตนเองก่อนโลกก็ดีขึ้นทันทีแล้วด้วยปัญหาทางใจที่น้อยลงดวงหนึ่งพาตนและคนอื่นไปพบโลกใบใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆ แ, แล้ว เห็นเอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวนั้นแหละคนดีไม่ใช่คนที่อยู่ในโลกใบสวยแต่คือคนที่พยายามล้างโลกของตัวเองให้สะอาดขึ้นคนที่ฆ่าความโกรธในตนได้กระทั่งหลับสบายนอนเย็นเป็นสุขเท่านั้นที่ตื่นมาแล้วมีพลังสดชื่นพอจะไปฆ่าความเลวในใจคนอื่นได้นอกนั้นทําได้แค่เอาความร้อนไปเพิ่มความร้อน เอาความโกรธเกลียดไปเพิ่มความโกรธเกลียดหรือกระทั่งเอาความเลวไปเพิ่มความเลวกันหมดเมื่อใจดีคุณจะเลิกติดใจกับความเลวของคนอื่นสังเกตได้จากเสียงในหัวที่ก่นด่าชาวบ้านน้อยลงเมื่อใจดีคุณจะเลิกรอใครดีให้เห็นก่อนแล้วจึงค่อยดีตามสังเกตได้จากใจ ที่ให้ความสำคัญกับความคิดฝ่ายชั่วน้อยลงแล้วชื่นชมความคิดฝ่ายดีมากขึ้น